นี่คือรายการเปิดธรรมที่ตุกปิดภาคออนไลน์ทางเพียวธรรมะคอมรรมาพระไพบูลทุกสัปดาห์ก็จะมากับคุณหมอณัฐพงศ์ครับกลับนมัสการและสวัสดีท่านผู้ฟังครับกับผมธันดแพทย์ณัฐพงศ์กหนกวิรุณจากกรุงเทพครับตอนนี้เอพิส od ที่เท่าไหร่แล้วคุณหมอสี่สิบแปดครับท่านสี่สิบแปดครับเราจัดกันมาแล้วสี่สิบดตอนทุกสัปดาห์มาไม่เคยขาดับนะจะมาช้าบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามเทคโนโลยีแต่ว่าก็ยังมาอยู่ดี ในตอนที่สี่สิบแปดนี้เราได้ติดการกับท่านผู้ฟังไว้จากตอนที่สี่สิบเจ็ดแต่ก่อนที่จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันจะขอตอบคาถามที่พูดถึงนี้นิดนึงก่อนนะมีคาถามจากท่านผู้ฟังมาคือมีเป็นลักษณะเป็นแบ่งปันประสบการณ์ด้วยครับจากคุณคุณทิพย์นะครับคุณ<อ>ทิพบอกว่าคือท่านเนี่ยก็ได้ฟังธรรมะของเราเป็นแฟนประจาแล้วก็ ในช่วงหลังมีเราให้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการครองชีวิตคู่แล้วก็ท่านก็เจอปัญหาตรงๆเลยว่ามีมีปัญหาในชีวิตคู่แต่ว่าท่านก็ไม่หวั่นไหวแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคงทุกข์มากแต่ปัจจุบันเนี้ยทุกน้อยแล้วก็มองเป็นเรื่องธรรมดาก็แบ่งมันมาว่าโอ้โหมันได้ประโยชน์จริงๆใช่ลเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะที่เมื่อผู้ปฏิบัต จะสามารถรู้เห็นได้เฉพาะตนครับทีนี้มีคําถามจากคุณรัตนาอที่ถามเกี่ยวกับเรื่องของการโกงใกล้คําว่าผิดศีลหรือเปล่าคือการเหมือนกับทําธุรกิจแล้วเหมือนหุ้นส่วนเนี่ยเหมือนไม่เป็นไามสัญญาไม่ซื้อตรงต่อสัญญาแล้วถามว่าผิดศีลข้อห้าข้อไหนข้อห้าถ้าเราจะแบ่งศีลเป็นข้อๆแล้วถามว่าผิดตรงไหนเนี่ย เราคุณจะต้องมองอย่างนี้มากกว่าว่าศีลเนี่ยคือความเป็นปกตินะคุณต้องมีปกติอย่างนี้แค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคุณมีปกติในการไม่รักทนะรัพย์แต่เพราะฉะนั้นถ้าการสมมุติยืมไปยืมเงินไปอย่างเงี้ยคุณมีสัญญาในการกู้ยืมมาเท่านี้เดือนนะเท่านี้ปีนะครับก็คือเขาเอาไปตามที่เราให้ถูกไหมแล้วก็ถือว่าไม่ได้ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แต่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของให้แล้วแต่เขาให้อยู่เวลาเท่าไหร่ ถ้าสมมุติให้อยู่สามปีสามปีคุณก็ต้องเอามาคืนคถ้าเกินสามปีไปก็ถือว่าไม่ได้ให้แล้วประเด็นก็จะเป็นการผิดศีลข้อที่สองอธินาทานใช่ครับคือถือเอาทรัพย์มัลติของไม่ได้ให้แต่ถ้าเป็นการทำตามสัญญาคืออย่างสมมุติเป็นหุ้นส่วนบริษัทอย่างเงี้ยแล้วก็ค้าขายไม่ถูกซื้อขายไม่ตรงก็จะเป็นการผิดมิจฉาอาชีวะคือข้อที่ว่าการ พูดโกหกการพูดหลอกลวงการล่อลาบด้วยลาบการเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากการพูดยุยงให้เกิดมานะจนต้องยอมตกลงอย่างนี้เป็นตน้น อ, อันนี้เป็นการมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะปิดอาริมักซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นปกติครับอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าไอ้นี่ความเป็นปกติของฉันต้องเป็นอย่างนี้นะคือฉันมีปกติในการที่จะไม่ทําอาชีพที่โกงๆนะครับว่าเจ้าจะเป็นลักษณะที่เราเข้าใจกันได้ เพราะงั<ม><ม>้นก็จะตอบคําถามคุณรัตนาอย่างนี้ของรัตนาครับผมทีนี้ว่าถ้าเราจะไปมองว่าผิดศีลข้อนั้นข้อนี้แล้วมันยังไงต่อมนันมันเป็นอกุศลธรรมแน่ละใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําแน่ละ่ะน<ม>ะเราก็ถ้าจะไปมันไม่เหมือนมาตรากฎหมายนะคุณหมออนุพงศ์ที่ว่าแตาคุณผิดมาตรานี้คุณถูกลงโทษเท่านี้ปีเท่านั้นปีนะถ้าคุณยอมรับคุณลดหย่อนเดี๋ยวเท่านั้นปีเท่านี้ปีแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของกรรม เนีเราไม่ต้องลงโทษเขาไม่ต้องมีกฎหมายมาลงโทษเขาเขาต้องได้รับแน่นอนให้สบายใจได้เลยแต่ทำไมยังไม่ได้รับสักทีก็รอไปก่อนซิการสักใจเย็นๆนิดนึงเหมือนกับท่านผู้ฟังที่รอฟังเอพิซอดที่48นะเกี่ยวกับเรื่องของคนโสดครับทีนี้มีคนครับมีคนรอฟังอยู่รเรื่องของคนโสดเนี่ยน ะ, ะคิดว่าจะเนื่องจากว่าเรามีเรื่องที่จะสืบเนื่องจากตอนที่แล้วอยู่หลายรประเด็น อย่างเช่นเรื่องของคารวัตธรรมมันเกี่ยวข้องกันยังไงกับอันนี้เรื่องของว่าการมีภรรยาหลายคนมีสามีหลายคนได้ไหมรนะเรื่องของบางทีจะแต่งงานเนี่ยแม่ไม่ปลื้มทำยังไงนะแล้วเรื่องของหน้าที่ของลูกจยมีอะไรบ้างลงรายละเอียดซึ่งมันจะมันจะต้องใช้เวลาพอสมคว ร, ครเพราะฉะนั้นเรื่องของคนโสดเนี่ยก็จะยกไปตอนที่สี่สิบเก้าตอนค น, น ค, คนโสดก็รอไปก่อน ทีนี้เอาเรื่องของคนแต่งงานก่อนที่ประเด็นที่อาตมาต้องการจะเพิ่มเติมในเรื่องชีวิตของคนคู่นะที่พระพุทธเจ้าพูดถึงหน้าที่ของบรรดาบิดาอันที่หนึ่งที่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการหาคู่ครองที่เหมาะสมสมควรให้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นประเด็นที่อาตมามองว่าอการแต่งงานกันเนี่ยนะพ่อแม่ต้องเห็นด้วยนะครับคือหมายว่าคนที่เราหามาอย่างเงี้ยสมมุติผู้ชายจะไปแต่งงานกับผู้หญิงผู้หญิงที่คุณเอามาให้แม่คุณดูเนี่ยให้พ่อคุณดูเนี่ยพ่อแม่คุณต้องเห็นด้วยนะ เราเห็นหลายๆเคสนะคุณหมอรัตพงศ์ที่อผู้ชายไปหาแฟนมาเอาแฟนมาให้แม่ดูแม่ไม่ปลื้มอืแม่ไม่ปลื้มมันไปไม่ได้อในชีวิตครอบครัวจะมีปัญหาใช่ครับไม่ว่าจะทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงถ้าพบมารดาบิดาแล้วเนี่ยแล้วไม่ปลื้มเนี่ยนะแหมมันติดขัดนะใช่ครับทีนี้มารดาบิดาจะดูว่าปลื้มหรือไม่ปลื้มท่านก็ต้องมีเกณฑ์ในการตัดสินไง ใช่ครับก็อย่างที่เราพูดกันไปในเรื่องของอะไรบ้างศรัทธาศีลจาระปัญญาใช่ไสี่อย่างนี้เป็นเกณฑ์ในการวัดที่มันดาบิดาควรใช้หรือบางทีมันดาบิดาไม่รู้ข้อมูลนี้เราต้องให้ทันรู้เราต้องเอาข้อมูลนี้ให้ท่านเพราะบางทีก็แค่ดูหน้าตาอุ๊คุนี่ดาเกินไปไม่เอาหรอก คนนี้เป็นลูกคนจีนคนนี้เป็นลูกคนอีสานคนนี้เป็นลูกคนอังกฤษคนนี้เป็นไม่ใช่คนไทคนนี้โอ้มันเชื้อชาติแรงต่างมันหลากหลายครับอ่ฉันต้องการคนคล้ํากว่านี้หน่อยเธอหาได้ไหมฉันต้องการคนขาวกว่า น, นี้หน่อยอสูรกว่า น, นี้หน่อยเธอหาได้ไหมอันนี้มันเรื่องภายนอกเพราะฉะนั้นเราต้องให้มารดาบิดาเนีทราบข้อมูลที่ถูกต้องในกา ร, รเลือกคู่ด้วยถ้าไม่ปลื้มขึ้นมาลรามีปัญหาครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะเกณฑ์ทางโลกก็จะมีอ่า เรื่องของทรัพย์สินเงินทองชาติวงตระกูลอาชีพอะไรนะ่ครับคือที่เราพูดถึงเป็นเกณฑ์ทางธรรมใช่หมครับ4ี่ประการใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านยังไม่ทราบข้อมูลเราก็ต้องเลือกบอกให้ท่านทราบนะครับดังที่ได้คุยกันไปในตอนที่แล้วทีนี้ว่าการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ระหว่างสองคนแต่เป็นเรื่องระหว่างคนสองครอบครัวอืมครับจริงครับ พเพน้นพอแต่งระหว่างคนสองครอบครัวแล้วถ้าครอบครัวเขาไม่เห็นด้วยนะมีการตะกิ้ตะขวงใจคุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรื อ, อมไม่ต้องทําความเข้าใจกันก่อนที่จะตกลงปลองชิ้นกันครับอันนี้สําคัญมีประเด็นหนึ่งที่อาตมาได้เป็นค้นคว้าเพิ่มเติมคือเรื่องของคําว่าครารวัตธรรมคารวัสธรรมคารวัตธรรมเนี่ยหลายๆคนจะเคยได้ยินมาก่อนว่าเป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งได้แก่สัจจะธรรมขันติจาคะ นะสี่อย่างนี้สัจธรรมขันติจาาักขะอันเนี้ยเป็นบทธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมมาบอกว่าอันนี้เป็นหนึ่งในครรภสธรรมนะซึ่งจริงๆแล้วพอไปดูในข้อมูลที่เป็นพุทธประชนะเนี่ยเป็นคําพูดที่พระพุทธเจ้าพูดกับอาระวะยกยักษ์ ย, กยักษ์ตัวหนึ่งจมาหาพุทธเจ้าแล้วก็บอกให้พระพุทธเจ้าเข้าออกเข้าออกกุฏิอยู่นั่นนะ่ะสามรอบแล้วก็ไม่ถามอะไรในะจนกระทั่งรอบสุดท้ายเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไม่เล่นตัวละ ไม่เอาละไม่ไม่สนใจแกและครับคือยักษ์เนี่ยมีอำนาจมากนะคือมันจะทําร้ายเราจะขู่เราจะตีเราคือใช้กําลังว่างันเถิดเป็นพวกยักษ์ก็ถ้าเราไม่ทําตามเขาก็จะตีเรา<อ>พระพุทธเจ้าก็เลยออกมาทีนี้ว่าประเด็นตรงนี้อธิมามองว่าอาจจะไม่ใช่พุทธวจนะอันนี้คือไม่แน่ใจแต่ว่ามีจุดเดียวเท่านั้นเองที่พูดถึงเรื่องคารวัสธรรมตรงนี้แล้วทำไมยักษ์มาถามเรื่องคารวัสธรรมกับพระพุทธเจ้าอืก็เลยงงงงแต่ว่าก็จะพูดถึงหน่อยเพราะว่ามันก็ มีส่วนที่อยู่ในหมดธรรมอ่าหมดอื่นอยู่ครับอย่างคำว่าสัจจะนี่ก็อยู่ในที่อื่นก็มีคําว่าธรรมะคือความกลมบังคับใจก็อยู่ในที่อื่นก็มีขันตินี่พูดอยู่แล้วเป็นประจำอาจารย์ครับคือความปล่อยความวางก็ตรงกับสี่อย่างที่เราพูดในเมื่อตอนที่แล้วใช่ครับท่านผู้ฟังที่สังเกตว่าวันนี้อาตมาพูดเร็วนะเพราะว่ามันมีเนื้อหามากจึงต้องพูดเร็วถ้าว่าฟังไม่ทันก็ไปตามรีรีวาฟังเอาใช่ครับอ่ะทีนี้พูดถึงสัจจะก่อนสัจจะเนี่ยแปลว่าความจริง อชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ละครครับนบ <persons> างคนดูละครดูลิเกยอย่างเงี้ยกทเล่นลิเกเจ้าชายออกมาเลย เ, เล่นลิเกเป็นเจ้าชายนะแต่ชีวิตที่บ้านนี่คนละเรื่องกันกับที่เลลิเกบางคนคเล่นเป็นตัวตลกนะแต่ชีวิตที่บ้านคนละเรื่องกับที่เล่นเป็นตัวตลกอืมเราเห็นตัวตลกหลายคนนะที่มีวงตลกคณะตลกกันนะชีวิตที่บ้านนี่โหเศร้าคนละเรื่องกันเลยใช่ครับโอ้โหมันนี่มันคือเล่นลิเกเล่นละครครับ คนที่เป็นเล่นละครอย่างนางเอกละครอย่างเงี้ยแม้สวยเลิศหรูอลังการที่บ้านนี้คนละเรื่องกันเลยครับอ ค, บคนละเรื่องกับหนังที่เล่นเพราะฉะนั้นการแต่งงานเนี่ยการมีชีวิตคู่เป็นเรื่องจริงนะคุณอย่ามาทําเล่นๆครับจริงใช่ไหมแต่เราคิดว่าเราจะแต่งงานประชดคนนีนะ้หรือว่าลองแต่งดูคนนี้จะดีไหมโอ้ยไม่ได้หรอกคุณต้องเลือกอย่างดีทําจริงๆนะอย่าทํา<ๆ>เล่นๆชีวิตไม่ใช่ละครจะมา<ๆ><ๆ>ทําเล่นๆแล้วก็เออเดี๋ยวก็โฆษณา ก, ก่อนน้ำเบรก หรือบทีแล้วก็จบเรื่องนี้ก็ดูเรื่องใหม่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะแต่งต อ, ตอนนี้ไม่ดีละคัดอา้าวเดี๋ยวเทคไหม่มันไม่ได้มันไม่เหมือนตอนระทึกหนังเพราะฉะนั้นคือมันสดจริงเจ็บเจบจริงมันโดนโดนจริงๆนี่คือตรงๆนี่สัจจะยังหมายถึงความตรงด้วยนะคนตรงคนคดเนี่ยอย่างที่เราดูเวลาที่เขาฆาตรกรนี้เขาจะฆ่าคนใช่ไหมแสดงเขาฆ่าคนตาย3ามคน ถ้าคนที่ฆ่าคนธรรมดาก็เอาปืนยิงป่องป่องป่อ ง, องตายแต่คนคดเนี่ยเขาจะต้องวางวางแผนวางแผนในการฆ่าซับซ้อ น, นอซับ ซ, อซ้บซอนอย่างโหดร้ายอย่างทรมานอย่างเยี่ยมโหดอย่างทารุณ น, นะซึ่งศาลเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะดูตรงนี้ด้วยเจตนาซ่าอนเล็อย่างเช่นว่าเอา้างั้นต้องปาดเนื้อมันทีละชิ้นเอาน้ําเกลือรดนะสับให้เป็นเสี่ยงเสียงนะกรีดหน้ากรีดตามคมขืนแล้วจึงฆ่าโอ้โหอันนี้คดมาก นี่คือความคดมาแต่ถ้าตรงๆก็คือฆ่าเลยเพี้งเดี๋ยวตายเปี้ยงเดียวตายไม่ต้องให้เจ็บปวดมากซึ่งพอศาลเห็นคดีความอย่างนี้ก็จะเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าโอ้คนคดอย่างนี้ต้องลงโทษมันเต็มที่ไม่มีการลดหย่อนแต่คนตรงๆเนี่ยอาจจะด้วยเหตุอะไรที่ทําให้เกิดการฆ่ากันอาจจะมีการลดหย่อนบ่นโทษมีการรอลงอาญาอะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่คดกับสิ่งที่ตรงเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสัจจะเนี่ยคือความตรง เพื่ะนคนจะมีคาะวะธรรมดีได้เนี่ยคือชีวิตคารวะที่ดีได้คุณต้องตรงตรงเป็นคนตรงตรงรในที่นี้คือตรงต่อสิ่งที่เป็นกุสลธรร ม, มรนะ ค, คือคุณต้องเชื่อแหละว่าทำบาปแล้วก็ได้ความชั่วนะทำบุญแล้วก็ได้ความดีแตนะมันตรงไปตรงมาตรงนี้ถ้าจะมาคดขอทางลัดได้ไหมไม่มีนะมีทางเดียวคือมักมีองแปดทางตรงตรง ถ้าอย่างนั้นคำพูดที่บอกว่าทําดีได้ดีทําช่วยได้ชั่วก็คือตรงใช่ยังตรงตามนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดถือเขาจะเขาใช้ว่าให้ตรงนี้เป็นแนวทางในการให้เป็นหลักนะเป็นที่พึ่งของเราในาเช่นความตรงตรงนี้รเรื่องของกรรมเป็นต้นเรื่องของกุณสธรรมเป็นต้นเนี่ยเราจะชีวิตเราจะตรงอยู่ได้แล้วเอารเรื่องที่โถกที่เราพูดกันเนี่ยเอาตรงนี้มาเป็นหลักในการดําเนินชีวิตตรงๆเลยไม่มีเบี้ยวไปจากนี้ นะคุณจะดีขึ้นมาได้นอกจากนี้สัจจะนี่ยังพูดถึงของปลอมกับของจริ ง, งรครับเป็นยังไงครับอย่างเช่นว่าเรื่องน้ําท่วมที่ผ่านมาครัเฟอร์นิเจอร์ไม้อัดเป็นยังไงเฟอร์นิเจอร์ไม้ปลอมเป็นยังไงบวมอพองเละเทะ <c oughs> บวมพองเละเทะยังรวมถึงเป็นราด้วย <c oughs> ใช่ครับแล้วก็สภาพมันนี่โอ้โหเข้าไปแล้ว ด, ดูไม่ได้เลยกลิ่นด้วยแต่เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงเป็นยังไงนะแค่อย่างไม้จริงถูกแช่น้ําอยู่เนี่ยมันไม่เป็นไรนะ ถ้าไม่ใช่ไม้กระบกเป็นไม้จริงที่ธรรมดาอย่างมากสีก็เฟื่อนไปหน่อยขัดขัดทาสีใหม่ก็ดีเหมือนเดิมแต่นี่คือของไม้จริงของจริงอย่างทองคำอ่ะทองคําปลอมเนี่ยเขาให้ไม่ให้ราคามากอย่างเพชรรัสเซียเพชรปลอมอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ราคามากแต่เพชรจริงเพชรแท้เพชรงามหรือว่าทองคําแท้อย่างเงี้ยทองคําคุณไปดูร้านทองทองคํา 99.9% เเนี่ยขายราคาแพงกว่า 96.5% อร์เซ็าเรียกว่าทองเก้กับ99้ ใช่ไหมมันจะไม่เหมือนกันคนละราคาเลยแต่ประเั้นของจริงคือสิ่งที่คนต้องการประเด็นชีวิตคุณจะชีวิตคาราบาลจะดีได้คุณต้องมีสัจจะนี่คือกรณีนี้อันที่สองเรื่องของคาราบสถานอันที่สองคือธรรมะคือความคมบังขับใจอืความคมบังคับใจอันนี้คือหมายถึงว่าติดเบรกให้จิตของเราอย่าให้จิตของเราอยู่ไปในห่วงลบห่วงที่เป็นอกุศลพอเราจิตของเราอยู่ในห่วงที่เป็นอกุศลแล้วการคิดการอ่านการตัดสินใจการพูดอะไรมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีออกมา ถ้าลงโทษลูกก็จะลงโทษแรงล่ะถ้าเกิดเรามีอยู่ในห่วงลบเพราะเราต้องติดเบรกให้จิตของเราไม่จิตของเราอยู่ในแดนลบให้อยู่ในแดนบวกครับฉะนต้องมีการฝึกการข่มบังคับใจการสำรวมระวังตัวนี้ต้องมีโดยเฉพาด้วยสติไม่ครับอใช่นี้ต้องฝึกด้วยสติแน่แล้วก็คนที่จะทําธรรมะความข่มบังคับใจเนี่ยนอกจาฝึกด้วยสติแล้วเนี่ยคือมันก็อาศัยว่า มีภัสสะแล้วเราก็อดทนอยู่ได้นะเพราะนั้นธรรมะหมวดที่สามเนี่ยจึงมาด้วยกันนั่นคือความอดทนในชีวิตคู่อย่างไงคุณต้องทนใช่ครับต้องทนเป็นสองเท่าสามเท่าหรือสี่เท่านั่นแหละเพราะเราอยู่กับคนอื่นแมันมีผัสสะกันอยู่ตลอดเวลาใช่ครับนันเป็นเรื่องของคนคู่อยู่แล้วอีกประการหนึ่งคือเรื่องของจากละอันนี้เราได้เคยไปพูดไปแล้วคือเรื่องของการให้การบริจาคการแห้งจากละคือการสละ สี่อย่างนี้สัสจจธรรมขันติจาคะเป็นกรวัสธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกจึงเอามาพูดเพื่อที่ให้มันเติมเต็มขึ้นมาในเรื่องของชีวิตของคนคูค่คือถ้ามีเสมอกันชีวิตคู่มีสี่ข้อนี้เสมอกันก็เป็นเหตุเกื้อหนุนต่อการดำเนินชีวิตคู่ใช่ไหมครับสี่ข้อนี้พูดถึงจาคะศรัทธา สัทธาศีลจากขาปัญญานะอ๋อครับอันนี้เป็นพุทธวจนะที่พระเจ้าตรัสไว้ว่ามีสีอย่างนี้แล้วเราก็จะเจอกันทุกภพทุกชาติครมีสองอย่างนั้นคือเรื่องของทิฏฐิกับศีลเสมอกันก็จะอยู่กันได้อย่างสบายใจครับอยู่กันได้ไม่มีความแตกขัดขัดแย้งกันครับส่วนเรื่องคารวัสธรรมที่พูดตรงเนี้ยคือพูดมาเติมให้เต็มเฉยๆครับผมต่อไปคืออีกประเด็นหนึ่งเรื่องของคนคู่ครับ เช่นว่าเรื่องของคือคนคู่เนี่ยนะมารดพงเขาพูดถึงการเสพอ่เสพกาเสพการอ่ะเสพที่สิ่งที่มีความสุขต่างตาหูจมูกลิ้นกายยังยินดีด้วยทองและเงินเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่พูดถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ได้เพราะฉะคนแต่งงานกันอนะ่ะไม่ต้องพูดหรอกคุณก็ต้องการมีเพศสัมพันธ์กันมีความสุขอย่างคนคู่เขามีกันเดินจับมือกันไป นะคอเคลียร์เขากรอการเรื่องบนเตียงการมีเพศสัมพันธ์อันนี้ถ้าคุณยังยินดีในการนั้นะคุณจะต้องมีมเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องเรื่องนี้ยจึงต้องพูดให้ชัดเจนว่าไอหน้าที่ทิศหกของเราะที่ว่าไม่ดูหมิ่นเธอนะแล้วก็ยกย่องเธอของสามีนะต้องทําอย่างนี้ภรรยาต้องจัดแจงกันงานอย่างดีแล้วก็แข่นขันแข่งในหน้าที่ทั้งปวงสองอันนี้ยมันจะคู่กันทั้งหญิงและชายในอย่างผู้หญิง ค, คือพระเจ้าเคยบอกองี้นะว่า การอธิบายคนที่สวยหรือไม่สวยอย่างเงี้ยเช่นบอกว่าไม่ไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่ดำนักไม่ขาวนักนะมีรูปร่างพอดีสิ่งที่ควรแคบก็แคบสิ่งที่ควรกว้างก็กว้างสิ่งที่ควรเล็กก็เล็กสิ่งที่ควรใหญ่ก็ใหญ่อย่างนี้เป็นตน้นนี่นคืออธิบายรบเรื่องของความที่สวยงามของร่างกายคนทีนี้อย่างบางคนคูข่ของท่านบางคนนะสิ่งที่ควรเล็กกับใหญ่สิ่งที่คนใหญ่กับเล็ก แล้วคุณไปว่าเขาเฮยเธออันนี้เล็กจังเฮ้ยเธออันนี้ใหญ่จังมันมันไม่ได้นี่แสดงว่าคุณดูมินเธอแล้วอ๋อดูมินแล้วอแคนี้คุณดูมินแล้วจริงๆนะก็เน้มันร่างกายเขาแล้วเขาเป็นอย่างนี้แล้วคุณเลือกเขามาแล้วแล้วคุณดูมินเก่าแต่ติดลบครับอดทนกันได้ไหมล่ะเพรื่องเรื่องบนเตียงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยบางคนบอกเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับหนึ่งของการมีชีวิตคู่อาจารมาต้องบอกงี้ว่ามันทุกเรื่องแหละ คนเซปต์การ ม, มันไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องบนเตียงเอาแค่คว่าไปกินข้าวไปเที่ยวกันไปดูหนังไปดินเนอร์ไปออกงานทั้งหมดเนี้ยเป็นการหมดเลยมีค่าเท่ากันหมดครั บ, อ, รบอันนี้ประทัจุดหนึ่งมันไม่เวนะิร์คเช่นเรื่องบนเตียงไม่เพื่อคุณต้องหาเรื่องอื่นมาชดเชยถ้าคุณยังเสพการนะรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้เรื่องการทั้งหมดคุณเอาน้อยๆห น, น, น่อยก็ได้นะคุณไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในชดเชยดีกว่าครับเป็นะสุขจากสมาธิใช่ บางคนนะเห็นดารานางแบบโอ้โหสวยมากเลยแม่หุ่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ดูหน้าเมียตัวเองโอ้โหมันคนละเรื่องกันเลยเอเกิดความคับแค้นนะอนามาถงครับเห็นเห็นเกิดความคับแค้นเห็นเป็นอย่างนี้แล้วพอดูคนอื่นว่าคนหนึ่งเขาก็คู่ดีนะเขาเป็นอย่างนี้นะแหมมีความสุขจังเกิดความเร่าร้อนอีกอืมเกิดความคับแค้นและเร่าร้อนสามีเป็นอย <c oughs> <ๆ>่างนี้ <C AP> มันจึงให้เป็นเมียหลายคนเพราะไม่รู้จักพอไม่รู้จกัจกหาความสุขอย่างอื่นหาความสุขที่เกิดจากในภายในหรือหาความสุขทางการในเรื่องอื่นๆครับ <C AP> คื อ, คอถ้าเรามาพูดตรงนี้นะก็ต้องพูดให้ชัดเจนว่าการ ม, มีความสุขน้อยมีทุกข์มากอย่าไปหาเลยความสุขทางการด้านอื่นๆมันไม่มีคือมันมีน้อยมากไปหาความสุขที่เกิดจากในภายในชดเชยชีวิตคู่คุณจะอยู่ได้ครับคือคุณแต่งงานมาแล้วคุณก็ต้องรับผิดชอบอย่าดูหมิ่นเขายกย่องเขา ครับอแล้วถ้าเผื่อว่าในเรื่องของการตรงนี้ผู้หญิงก็เหมือนกันผู้หญิงต้องจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดครับสองขยันขันแข็งในหน้าที่ทั้งปวงหน้าที่ของเธอเธอก็ต้องทําอย่างนี้นะบนเรื่องของการคนชีวิตคนคู่อ่ะพางเงนเต๋อครับผมอืมก็ลักษณะนี้เหมือนกันพวกการบ้านการเรือนอะไรเงี้ยต้องไม่ให้บกพร่องใช่ครับคือคนคู่เขาจะอยู่กันเป็นครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบนเตียงอย่างเดียว ใช่ครับมันจะต้องมีเรื่องอื่นด้วยเรื่องลูกด้วยเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องอาหารการกินด้วยเรื่องการดูแลด้วยถ้าอย่างอื่นเราชดเชยได้นะมันก็จะไปได้ครอบกรัวเหมือนกันเติมเต็มกันได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักการตรงเนี้ยหน้าที่ห้าอย่างของสามีหน้าที่ห้าอย่างของภรรยาเนี่ยถูกต้องที่สุดแล้วหมดแค่นี้จบแค่นี้ชีวิตคุณจะไปรอดคนข้างเตียงคุณจะไม่เป็นภัยกับคุณด้วยกรณีนี้ะคือผู้หญิงเนี่ยเวลาเขามีลูกแล้วนะหมอรัตพงศ์ ครับเอเราไม่ต้องพูดถึงห้าปีสิบปีนะเอาแค่สองปีต้นปีกับท้ายปีมีลูกคนหนึ่งโอ้โหคือมันคนเรื่องไปเลยอ่าใช่ครับสรีระต่างเปลี่ยนไประบบไอเเมตาบอลิซึมเปลี่ยนไปโครงสร้างร่างกายเปลี่ยนไประบบฮอร์โมนเปลี่ยนไปแล้วคุณจะไปหวังว่าสิ่งที่มันมีแล้วเป็นแล้วให้ไม่ให้เป็นมีแล้วเป็นแล้วแม้เป็นเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้หรอกเป็นสานะที่เทวดาเทพมารพรมหรือใครๆในโลกนี้ไม่อาจจะได้ เดี S <S เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เราคุณก็เอาสิง่งอื่นมาทดแทนทําหน้าที่ของตงัวเองให้ดีใช่ไแล้วอย่างไอ้ผู้ชายที่ไปมีเมียหลายคนเนี่ยนะอาจารย์ต้องทําความเข้าใจตรงนี้ให้ทราบว่าหรือผู้หญิงที่มีสามีหลายคนก็แล้วกัน<ช>แต่มีกิ๊กไป ม, มีอะไรอย่างเงี้ยครผู้ชายพูดไชัดเจนว่าสินข้อที่สามนี่ยคือการที่ไม่ประพฤติผิดในกามในหญิงที่สามีรักษาพ่อแม่พี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษา แล้วก็ธรรมรักษาหรือหญิงที่เขามั่นเอาไว้เพดัะนั้นหญิงที่ธรรมรักษาเนี่ยคือหญิงที่เป็นขนมรำเมียมประเพณีเขารักษากันอยู่อือย่างในถ้างั้นเราจะอธิบายกรณีนนของอย่างอในสมัยก่อนคนไทยอย่างเงี้ยครับราชาหมาขสัตริย์เนี่ยมีนางสนมหลายคนคือพู้ง่ายมีเมียหลายคนครับเรืออ่องนี้จะอธิบายตามหลักของผู้รู้ชาได้ว่ายอย่างไรอืมก็จะต้องอธิบายให้ทราบตรงนี้ว่าการที่ เมียเนี่ยนะคือตำแหน่งของภรรยาหลวงนี่ก็อันหนึ่งกับนางสนมก็อันหนึ่งนะคือถ้าพูดกันให้เข้าใจก่อนว่าคนที่มีเมียผู้หญิงอื่นนะที่ไม่ใช่ภรรยาหลวงเนี่ยถามว่าภรรยาหลวงเนี่ยเขายอมรับไห ม, มในการที่จะมีภรรยาน้อยครับแ้นะ่ถ้าภรรยาหลวงยอมรับในการที่จะมีภรรยาน้อยนะดยการตกลงชนิดหนึ่งอย่างเช่นว่าระหว่างที่ตั้องการอย่างเงี้ยไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ นะพวกลูกน้องพวกอำหมากก็อาจจะหาหญิงที่เป็นนางสนมมาให้<อ>ซึ่งนางสนมกับตําแหน่งราชินีเนี่ยไม่เหมือนกันนะต่างกันกันบอันต่างกันก็เป็นลนนักษณะนี้อย่างราชัชกาลที่ห้อย่างเงี้ยก็มีอครมัยสีองค์เดียวครับออแต่ว่าอื่นๆก็เป็นนางสนมเป็นเมียน้อยซึ่งไม่ได้ยกฐานะขึ้นมาเป็นเหมือนกับอันดับหนึ่งนี้เป็นทำในปัจจุบันทีนี้ดูที่พระพุทธเจ้าทำตอนที่เป็นโพลิสัตย์อยู่ที่แต่งนานกับ นางยโสถราพิมพาเป็นมาเหสีใช่ไหมแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็อยู่ปราสาทสามหลังนะหลังละฤดูโดยทาม่ติดพื้นแล้วก็ยังมีนางสนมมีแต่ผู้หญิงร้อมรอบเต็มไปหมดไม่มีผู้ชายเลยแต่พนระเจ้าอธิบายไว้อย่างนี้ซึ่งก็แสดงถึงความที่มีภรรยาเดียวนะแต่อาจจะมีนางสนมหลายๆคนลักษณะนี้นะถ้าเผื่อว่าพรรยาหลวงเขายอมนะคุยกันแล้วตกลงกันได้ ก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ชื่อว่าธรรมะรักษาอืคือว่าเป็นอยู่ในกำหนดเป็นมีนระเพณีกฎเกณฑ์ที่บ้านเมืองเขายอมรับกันครับหรือว่าในคำสอนของศาสนาอิสลามอย่างเงี้ยคุณมีปรรยาได้สี่คนถ้าคุณเลี้ยงไหวซึ่งภรรยาหลวงเขาต้องยอมรับต้องยินยอมต้องยินยอมว่ามันเป็นอย่างงี้ยังบางคนเนี่ยมีปรรยาหลวงอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องการหาแม่บ้านมาดูแลบ้านที่บ้านอย่างเงี้ยโดยการที่ให้อยู่เป็นครอบครัวกันเขาก็ยอมให้มี ก็เรียกว่าเป็นแม่บ้านตำแหน่งแม่บ้านแต่ซึ่งจะไม่ได้เชิดชูให้เป็นมีหลวงอย่างไปออกงานไปจดทะเบียนสมรสหรือว่าไปยกย่องเชิดชูในสิ่งที่คนคู่เขาจะทำกันเนี่ยภายนอกเนี่ยก็จะเอาภรรยาหลวงไปเท่านั้นครับก็ลักษณะนี้ถามว่าภรรยาน้อยคุณยอมรับได้ไหมซึ่งซึ่งตรงเนี้ยอัตมาต้องบอกว่าฐานะความเป็นภรรยาเนี่ยกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์คนละเรื่องกันคือฐานะความเป็นภรรยาเนี่ยหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีคุณต้องมี แต่เรื่องของหญิงที่มามีเพศสัมพันธ์เพื่อให้มีการเสพกรามเนี่ยก็เป็นคนละอย่างกันอืเพราะฉะนั้นความเป็นเมียความเป็นภรรยายกับเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องแยกกันครับตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าบางทีเนี่ยเจ้านายเสียเพราะลูกน้องอคืออย่างคุณเจ้านายไปเทศต่ต่างจังหวัดไปทํางานต่างจังหวัดลูกน้องเนี่ยก็หาหญิงบัมเริล ม, มาให้อ๋อครับมันเสียกันอย่างเงี้ยคืออย่างพระสงฆ์เนี่ยเสียเพราะลูกศิษย์นะทําอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกเอาสิ่งที่ไม่ดีมามาให้ สิ่งที่ไม่ควรแก่สมรรถจักริพก ค, ค, คุณก็ทําไม่ถูกละ่ะถ้าเรา<อ>ไม่ดา่าไม่ว่าไม่สั่งสอนเขาก็จะเป็นคนไม่ดีอย่างเจ้านายบางทีถ้าไม่รู้จักบอกลูกน้องลูกน้องมันหาของไม่ดีมาให้บางทีเราก็ใช้บางทีเราก็ทําซึ่งมันเป็นสิ่งไม่ดีไงเพราะนั้นจึต้องบอกว่าบางทีเจ้านายก็เสียพะลูกน้องในเรื่องของอย่างนี้เป็นต้นก็มีนะใช่ครับอออืมครับโดยเฉพาะสังคมไทยใช่เพราะถ้าเรายืนมั่นใจว่าเราเป็นผู้มีศีล เราปรึกษากันแล้วกับภระยาแล้วนะถ้ามีกรณีนี้เกิดขึ้นคุณจะทํายังไงอืเราเราคุยกันก่อนล่วงหน้าเลยครับนะว่ากรณีนี้เกิดขึ้นกันยังไงจะทำยังไงอย่าไปทําลับๆล่อๆให้มั่นใจว่าเออภรรยาของเรานะเป็นตําแหน่งเมียหลวงเท่านั้นเมียหลวงคุณเขาจะพูดยังไงไม่ใช่เมียหลวงด้วยกันอาตำแหน่งภรรยานะภรรยาคุณจะต้องเข้าใจว่าเออฉันมีตําแหน่งอย่างนี้นะส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องรองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นธรรมดาของ คนที่ต้องบริโภคกามครับคุณทําใจได้ไหมคุณทําใจไม่ได้คุณต้องปรึกษากันคุณทําใจได้ขอบเขตอยู่ที่ไหนคุณต้องคุยกันครับนี่ถึงที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีธรรมรักษาครอบครัวเราจะอยู่เป็นสุขได้<แ>ครับคิดว่าอันนี้ก็จะชัดเจนนี่ยังรวมไปถึงเรื่องของเที่ยวกลางคืนอาบอบนวดไปผับไปเทค ก, การทติต่อการค้าการสื่อสารลูกน้องออทําอะไรต่างๆอยู่ในนี้ก็ใช้หลักเกณฑ์ น, นี้เหมือนกันครับผม คือถ้าคุยกันล้วก็ไม่มีปัญหาหรอกระหว่างคนคู่อะนะถึงว่ามันมีมันมีปัญหาที่เราทำให้มันไม่เป็นปัญหาได้ถ้าเรารู้จักพูดคุยกันทีนี้พอเรามีคนคู่เป็นอย่างงี้มันก็จะต้องมีลูกรในที่อาจจะมาต้องพูดถึงเรื่องลูกเนี่ยนะก็เพราะว่ามีเมื่อวันก่อนนั้นได้ไปหนองคายไปลอยอังคารของบุคคลที่เป็นลูกศิษย์วัด หลวงพ่อเข้าไปด้วยก็เลยได้ไปร่วยกันก็บอกว่าไปฉานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาก็นิมนต์ไปก็มีคนที่ร้านอาหารนั่นแหละแล้วเขาก็เป็นแขกที่มาที่ร้านอาหารแล้วก็มากันครอบครัวพ่อแม่ลูกแล้วก็มีญาติอีกสองสาคนลูกสองคนลูกเนี่นะก็ไม่ยอมกินข้าว ม, าะะมันระพงเล่นแต่เกมกดอยู่นั่นอะ เก <Game> มบอยเดี๋ยวนี้ก็มี PSP2 สล <iPad. S 1> ีทู้ชก็มี i p h o n นะที่มันเล่นเกมได้ตลอดเวลา i p a d นไอแ <iPad. S 1> แล้วก็มีพี่เลี้ยงต้องคอยมาคอยป้อนข้าวข้าวไม่ยอมกินเล่นแต่เกมแม่ก็ทำนั่นทำนี่คุยโทรศัพท์พ่อก็คุยโทรศัพท์นะต่างคนต่างไม่สนใจกันแล้วมามองแล้วว่าโอ้โหไอ้นี่มันเป็นลูกบังเกิดกล้าวเลยเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับไม่ดีจริ ง, รงเวลาที่อยู่บนโต๊ะอาหารมันไม่ควรจะต้องมาเล่นเกมหรือมาคุยโทรศัพท์มันควรจะต้องกินให้เป็นเรื่องบรรดาพิจารณาอาหารใช่ไม้มหรือว่าคุยสิ่งที่จะสร้างสรรค์ครอบครัวให้ดีครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่รู้คุณสมบัติของความเป็นพ่อแม่ที่ดีนะอย่าอย่ามีลูกอืมช่ที่เราคุยไปเมื่อคราวที่แล้วอย่าสักแต่ว่ามีใช่ให้รู้จักให้เขาตั้งอยู่ในความดี ห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้นเป็นสองเรื่องที่สำคัญมากมากแล้วคืออย่างสองเรื่องนี้จริงๆเราไม่ต้องใช้คำพูดก็ได้อย่างเบบี้หรือว่าทารกที่ออกมาใหม่ๆยังพูดภาษาคนไม่ได้นะ ม, มไม่เข้าใจภาษาเขาเวลาเขาเรียนรู้ เ, เนี่ยเขาเรียนรู้ทางภาษาเรียนรู้ทางภาษามันไม่ใช่ภาษามันไม่ใช่ภาษาที่ต้องขีดเขียนอะไ ร, รมันไม่ใช่ภาษาไทยมันไม่ใช่ภาษาจีนแต่เป็นภาษาทางจิต แดังนะ้นอย่างเช่นว่าเรารับโทรศัพท์สายหนึ่งเขาพูดอะไรมาว่าปั๊บบปัเราจี๊ดขึ้นมาเนี่ยเด็กเขาก็เรียนรู้ทางภาษาเลยว่าอ๋อถ้ามีอย่างนี้ว่าปั๊บจะจี๊ดขึ้นมาอืมอย่างนั้เช่นกลัวผีอ่ะครับพ่อแม่เนี่ยบางทีสอนให้ลูกกลัวผีด้วยซ้าอย่าอย่าได้อย่างนี้นะเดี๋ยวผีมาหลอกถ้าไม่ไปสอนลูกอย่างนั้นเราคุณนกับว่าไปสอนลูกให้ให้กลัวในสิ่งที่มันมันไม่มีตัวตน ใช่ครับเรื่องนี้เขาเคยมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะเอาลิงตัวหนึ่งหมอรัตพงศ์เขาเอาลิงตัวหนึ่งที่เลี้ยงอยู่ในแ lab ตลอดี่ไม่เคยคเห็นงูไม่เคยอยู่ในปา่าลิงตัวนี้สบายใจมาก happy ทุกอย่างครนะให้เอาลิงตัวเนี้ยเขาก็เอาทีวีมาอันหนึ่งทีวีจอแบนแล้วก็เอารูปงูเหลือมนะมากบมาให้ดูปรากฏว่าเลื้อยไปเลยมาเป็นเป็นอยู่ในภาพมอนิเตอร์นะ ลิงมไม่มีปัญหาเลยลิงยังรู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้เป็นภาพปลอมนะเป็นมอนะิเตอร์นะมันก็จับจับเล่นดูเคาะเคาะจออะไรต่างาปรากฏว่าเขาทดลองใหม่เอาลิงตัวเดิมนะเก็บไว้ก่อนเอาลิงแล้วก็เอาภาพนะเอาจอมอนิเตอร์จอเดียวกันนี่แหละแต่ภาพใหม่เป็นภาพของลิงอีกตัวหนึ่งอยู่ในทีวีนะครับภาพของลิงอีกตัวหนึ่งอยู่ในทีวีเป็นภาพลิงตัวนั้นกลัวงูลิงที่อยู่ในทีวีเนี่ย เห็นงูแล้วกระโดดวับเลยกระโดดวับเลยหนีอเห็นอย่างนี้อยู่สักสองสามเที่ยวลิงตัวที่อยู่ในหลับเนี่ยเห็นทีวีตรงนั้นปุ๊บกลัวงูบ้างแล้วหมอเด็กผมกลัวงูไปเลยเรียนแบบเรียนแบบับมันไม่มีอะไรเราเราก็สอนเขาทางภาษาเนี่ยเองพ่อแม่กลัวผีลูกมันจะไม่กลัวผีได้ไงพ่อแม่สูบบุหรี่ลูกจะไม่สูบบุหรี่ได้ไงพ่อแม่ดื่มแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทำตัวอย่างไม่ดีแล้วลูกมันจะดีได้อรอใช่ครับ เพระฉะนั้นถ้าคุณไม่สามารถสอนลูกได้อย่างมีครับถ้ามีแล้วคุณทําให้ดีสอนให้ดีครับนะอย่างบางคนไปหลอกลูกบอกว่าอืมเดี๋ยวตํารวจมาจับใช่ครับถ้าไม่ดีตำรวจมาจับผลลูกก็นิ่งเป็นกุศลบายที่แย่มากเลยอันแย่ครับอามณมีไม่เห็นด้วยผมก็ไม่เห็นด้วยบางครอบกรบอกว่าเนี่ยอย่าดื้อนะเดี๋ยว ไปให้หมอฉีดยาเออหรือพาไปหาหมอฟันหาหมอฟันเออให้เขากลัวหมอฟันให้เขากลัวเข็มฉีดยาไอ้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องครับสิ่งที่ต้องให้เขากลัวคือกลัวบาปกลัวบาปจบไม่ใช่กลัวหมอฟันไม่ใช่กลัวผีไม่ใช่กลัวตำรวจไม่ใช่กลัวเข็มฉีดยาครับอกลัวบาปกลัวคนไม่ดีอย่างเงี้ยเพราะนั่นจริงต้องพูดเรื่องประเด็นเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยลูกครับยังบางคนมีคนอุ้มลูกให้ลูกเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งลูกเราเป็นผู้ชายอย่างพูดไม่ได้เลยเด็กก็กอดเลยกอดผู้หญิงคนนั้น ก็มีอาจจะมีคนอื่นก็พูดว่าโอ้โหดูสิกอบผู้หญิงเลยสงสัยจะเจ้าชู้เหมือนพ่ออา้อาวทำไมไปพูดอย่างนั้นพูดแค่นี้นะหมออาละก็เข้าไปในหูเด็กนะเด็กนี่เขาไม่ได้เรียนรู้ทางอะไรภาษาเขาเรียนรู้ทางภาษาอยู่แล้วครับเวลาที่แม่โกรธอย่างเงี้ยเวลาที่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นกับแม่แล้วแม่โกรธยิ้ดขึ้นมาเนี่ยเด็กเรียนรู้ทันทีว่าอ๋อเวลาเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจฉันต้องโกรธจิด้ดนั่นแต่ถ้าในกรณีตรงกันข้าม เกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจกับพ่อนะพ่อเย็นอยู่ได้แม่เย็นอยู่ได้นิ่งอยู่ได้เขาก็จะเรียนรู้ทันทีว่าอ๋อเวลาเกิดภาษาที่ไม่น่าพอใจฉันนิ่งอย่างนี้ถึงจะถูกเหมือนลิงในแฝดแบบมาร์ตินพงศ์อันนี้พอประเด็นที่ว่าพอมีคนบอกโอ๊ยสงสัยจะเจ้าชูเหมือนพ่อเนีอันนี้มันคือ install ความคิดที่ไม่ดีเข้าไปในจิตเด็กแล้วอืแล้วยังพูดความไม่ดีของคนอื่นโอ้โหแย่ที่สุดในโลกอเพราะฉั้นเราเป็นในฐานะพ่อแม่เนี่ยเราจะต้องแก้ตรงนี้ครับนว่า เราต้องพูดขึ้นมาเลยบอกว่าโอ้เรื่องความเจ้าชู้ของพ่อเนี่ยก็เป็นเรื่องความเจ้าชู้ของพ่อซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ในที่นั้นเราต้องแก้เราต้องพูดแก้บอกว่าออการที่บุคคลที่อุ้มอยู่เนี่ยมีความรักความเมตตาก็ทำให้เด็กเขาแสดงออกถึงความรักความเมตตาแหมดีจริงๆรเราก็พูดให้เป็นสิ่งดีขึ้นมาใช่ครับ ใ, ใวิธีพูดสาคัญนะครับใช่เราต้องแก้สถานการณ์เดี๋ยวนั้นตลอดเวลา เพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กก็ไปผัดส่าไปเจอคนนั้นคนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาจะพูดสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีกับลูกของเราใช่ไหมอันนี้คือหน้าที่ของมารดาบิดาที่ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปครับทีนี้ท่านมีคํากล่าวที่บอกว่าพ่อแม่เป็นผู้แสดงโลกแก่ลูกอันนี้ก็คือจริงอย่างถูกต้องเลยมารดาบิดาเนี่ยพระรชาบอกว่าเป็นผู้บํารุงเลี้ยงบํารุงเลี้ยงนะแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย เราโตขึ้นไม่ได้เป็นตัวคนนี่นะคือมันต้องมีข้าวกินครับนะนมจากแม่ซึ่งนมแม่พระรู้จบอกคือโลหิตที่ไหลเอาจาก อ, อกแม่แล้วก็บํารุงเลี้ยงประครบประงมอย่างดีที่สุดสิบนะเดือนบ้างเก้นะเดือนบ้างออกมาแล้ว40สัปดาห์เนี่ยก็บํารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่ลูกทั้งหลายเพรื่องการบํารุงเลี้ยงแสดงโลกนีนะ้ก็คือการให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปนะให้เขาศึกษาศิลปะวิทยาครับ แล้วก็มอบบรดกให้ตามการเวลาทีนี้เอาไล่ปฏิรัประเด็นพูดถึงการมอบมารดกให้ก่อนดีกว่าสําหรับหน้าที่พ่อแม่มอบบรดกตรงนี้บางคนจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเงินทองเป็นเรื่องของทรัพย์สินครับแล้วถ้าคนจนจะทําไงคนไม่มีทรัพย์สมบัติแล้วทําไงใช่ไหมซึ่งคําสองพระเจ้าจะใช้งานไม่ได้ในกรณีนั้นไม่ถูกเลยถูกต้องก็คือให้ศึกษาสิบหลักวิทยานิงหนึ่งนะแต่มอบมารดกให้เนี่ยคืออย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นตัวอย่างที่ดีมีครั้งหนึ่งเป็นพระราชาเป็นพระราชาแล้วก็มอบม ร, รดกให้บุชายคนโตม ร, รดกนี้คืออะไรนะคือการที่พอตัวเองมีผมขาวขึ้นเส้นหนึ่งแล้วเนี่ยก็สละราชสมบัติมอบให้ลูกนะแล้วบอกว่าให้ลูกเนี่ยประพฤติตามกัลยาณ ว, วัตนนี้คือพอตัวเองมีผมขาวขึ้นปุ๊บสละราชสมบัติมอบให้ลูกหลานต่อไปบอกลูกหลานตัวนั้นว่ า, วาอันนี้เป็นกัลยาณวัตนตัวเองมีผมหงอกปุ๊บสละราชสมบัติไปบวช แล้วก็มอบให้ลูกหลานเหรียญหลนต่อไปครับคือความประการประพฤติตรงเนี้ยเป็นกัลยาณวัตยเข้าใจไหมมรดกเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นทรัพย์สินเงินทองแต่เป็นข้อปฏิบัติสักอย่างอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าพึ่งปฏิบัติตนเป็นธรรมตาญาต์อย่าเป็นอมิสตายาตเลยให้เป็นธรรมตาญาตไว้ยอย่างนั้นอเหมือนธรรมวินัยอย่างนี้นก็ได้เช่นว่าหลวงพ่อของอาตมาเนี่ยมีข้อปฏิบัติอันหนึ่งของท่านที่เราสังเกตดูก็คือว่าท่านจะใส่บาตทุกวันไม่เคยขาดเลย วันหยุดวันเสาร์อาทิตย์วันนักขัตฤกษ์ไม่เคยขาดใส่บาตรทุกวันนะตีห้ตื่นมาเตรียมกับข้าวเองบ้างจัดของนั่นนี่หกโมงสิบห้ากโมงไปใส่บาตรอันนี้คือข้อปฏิบัติของท่านที่ท่านทําอยู่เป็นประจําซึ่งถ้าอาตมาหรือว่าคนอื่นๆจะทําตามเขาก็เอามารดกนี้มาทําได้อย่างตอนนี้น้องชายของอาตมาแล้ววันไหนที่ยมพ่อไม่สามารถมาได้ป่วยก็น้องชายก็จะทําแทนอันนี้ก็เรียว่าเป็นมรดกอย่างหนึ่ง พวกมลดกษัตริย์ที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาก็มีมรดกอย่างหนึ่งที่เขารับมอบมาจากกษัตริย์องค์ก่อนๆของเขาก็คือการบูชาเจดีย์ซึ่งเจดีย์นี้ก็คืออัฐิของบรรพบุรุษนั่นเองอย่างวันเชงเม้งอย่างเงี้ยคนจีนเนี่ยวันเชงเม้งเขาก็ไปไปไหว้บรรพบุรุษอันนี้ก็เป็นมรดกของเขาที่เขามอบกันมาออันนี้เป็นมรดกที่สามารถมอบให้ลูกได้มรดกนี้ยังรวมถึงความเป็นพ่ออย่างเช่นว่าหมาระทวงศใช่ไหมก็จะมีพ่อแม่ของหมาระทวง แล้วก็จะมีลูกของหมอ ร, รัตพงศ์ก็จะเป็นลูกก็จะเป็นหลานใช่ไหมของปู่ย่าหมอรัตพงศ์ก็จะเป็นพ่อแม่ล่ะทีนี้ปู่ย่าคือพ่อแม่ของหมอรัตพงศ์เนี่ยก็จะมอบมารดกความเป็นพ่อให้หมอรัตพงศ์หมอรัตพงศ์ตอนนี้ก็ทาหน้าที่พ่อละเ<อ>พราะนั้นหน้าที่ของพ่อหน้าที่ความเป็นมารดาบิดาของปู่ย่าเนี่ยก็หมดละอืใช่ไหมเพราะนั้นท่านก็จะไม่ต้องทําหน้าที่นี้ ทีนี้ว่าตรงนี้นี่แหละคือประเด็นที่ว่าทาไมปู่ย่าตายายบางคนเนี่ยไปเล่นกับหลานคือท่านเล่นด้วยอาศัยที่ว่าความสุขทางการมอย่างนี้นะก็ไม่มีปัญหาแต่หน้าที่การเลี้ยงดูปูปั้นเขาเรียกว่าห้ามเสียจะบะให้ตั้งอยู่ในความดีควรจะเป็นหน้าที่โดยตรงของผู้ที่เป็นมารดาบิดา บ, บางคนเนี่ยไม่ยอมมอบบรารดกนี้ให้ลูกไม่ว่าลูกมันจะแก่ขนาดไหนหกสิบปีนะเจ็ดสิบปียังสอนลูกอยู่ได้ ซึ่งตัวเองแก่มากแล้วเก้าสิบอย่างเงี้ยจะร้อยอยู่แล้วเนี่ยยังไปสอนลูกอายุหกสิบเจ็ดสิบอ่ะมรดกน่าจะปล่อยวางนะครับเออมันมันจะไม่ได้ไงจะกลายเป็นคนแก่ที่ขี้บ่นไปอืเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพระชจ้าจึงให้มอบมรดกให้ตามเวลาแม่งชัดเจนไหมคาสอนพระชจ้าครับอันนี้ว่าตัวเองเนี่ยคือควรจะมอบมรดกนี้ให้อย่าไปอย่าไปสนใจเขาแล้วเขาโตแล้วเขารู้เรื่องมากกว่าเราแล้วเราแก่แล้วจะไป ยุ่อะไรไปสอนเขาอีกอย่งางนี้อืซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่ตัวลูกด้วยนะครับจริงครับ ค, คือลูกเนี่ยต้องเป็นผู้รู้จักดํารงวงศสกุลแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นตายาคือหน้าที่ของลูกอันหนึ่งเนี่ยนะคือเลี้ยงท่านตอบใช่ไหมใช่แล้วก็ทํากิจการงานของท่านใช่ไหมคือพ่อแม่ใช้อะไรแล้วก็ไปทําให้นะแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยต้องเป็นผู้รู้จักดํารงวงศุล <c oughs> ดํารงวงศุลในที่เนี้ยหมายถึงความเป็นอริยวงศ์ นั่นคือความที่รู้จักรักษาทิศหกของตัวเองออคือรักษาทิศหกของตัวเองครับนะว่าตัวเองเนี่ยเราต้องมีทิศหกคือความเป็นคนดีของตัวเราอ่าในที่นี้สมมุติว่าเรามีลูกของเราแล้วใช่ไหมครับเรามีลูกของเราแล้วแล้วเราไม่แสดงความที่เราจะเป็นพ่อที่ดีได้เนี่ยคุณไม่รู้จักดํารงอริยวงศ์ไม่รู้จักดํารงวงสกุลเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของคุณจึงต้องมาคอยเป็นห่วงว่าหลานกูจะเป็นยังไงวะก็อเพราะคุณเลี้ยงลูกไม่ดี เองไม่ดีครั บ, บพรเพราะฉะนั้นจะมอบจะให้พ่อแม่ของเราเนี่ยมอบมรดกความเป็นมารดาบิดาให้เราโดยที่เรายังเลี้ยงลูกไม่ดีเลยท่านทำไม่ได้หรอกจริงครับใช่ไหม<ช> <ใช S 2> เพราะฉะนั้นถ้าคุณถ้าตัวเรานะทำหน้าที่มารดาบิดาของเราดีนะพ่อแม่ของเราก็จะมอบมรดกความเป็นมารดาบิดาของเราให้วางละนะให้เราท่านก็จะไม่มาจ้าชี้ช้ชาชัยกับเรามากเกินไปไม่มายุ่งกับเราหลานขอเรามากเกินไป ถ้าท่านรู้ข้อมูลนี้นะเข้าใจไหมครับใช่ครับเพราะฉะตรงนี้เป็นเรื่องของการรู้จักดารงวงศุลที่ตัวเราเนี่ยต้องมีเป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาเป็นการที่จะปิดกั้นทิศนั้นไม่ให้เป็นภัยกับเราเข้าใจไหม ค, คือถ้าเราสามารถรักษาทิศโกของเราได้มารดาบิดาของเราเองนะซึ่งตอนนี้เป็นปู่เป็นย่าแล้วเนี่ยจะไม่มาเป็นภัยกับเราจะไม่มากวนครอบครัวของเราครับนะเข้าใจครับสนี้<ช>รประเด็นที่ที่ถัดมาในเรื่องของความเป็นลูกเนี่ย It, คื อ, <crates imas. S 1> ต, อ aut, ต้องรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทนะ as. ในเรื่องนี้คือทายาทที่มอบบรดกมาให้ใช่ไหมอย่างพ่อแม่ของเรามอบบารดกความเป็นมารดาบิดาให้นะท่านเป็นปู่ย่าแล้วเราต้องรู้จักร <They 're S 2> ักษาตรงนี้ต้องทําตรงนี้ให้ได้ความเป็นลูกอ่าเรื่องนี้ไม่ใช่รวมไม่ใช่แค่ว่าเรื่องของสมบัติอย่างที่เราพูดไปแล้วแต่คุณมีเงินคุณมีบริษัทคุณมีธุรกิจอะไรต่างๆก็รับมอบความเป็นทายาทตรงนี้มาอย่างบานที่เราเห็นร้านค้าบางร้านอย่างเงี้ยขายก๋วยจั๊บอย่างเงี้ย ขายกระชับที่ยาวราชอย่างเงี้ยรับมรดกกันมาเป็น 3-4 ี่รุ่นละ่ะไม่แม่แมพิงแต่ปู่ย่ามาจากเมืองจีนขายนะพ่อก็ขายต่อลูกก็ยังมารับช่วงต่ออีกจัดทำนั้นที่ให้มันดีขึ้นนี่คือการรู้จักปฏิบัติตนเป็นตายาตรเรื่องนี้ยังไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองยังเป็นรุ่นของคุณธรรมนะมีคนหนึ่งมีเงินพันล้าน เขามีเงินพันล้านเนี่ยนะเพราะการที่เขาเห็บเก็บหอมรอมริบทำธุรกิจซื่อสัตว์ทํากิจการงานอย่างดีแล้วปรากฏมีลูกนั่นถามว่าลูกเนี่ยเขาจะรักษาทรัพย์พันล้านเนี่ยได้ไห ม, มเขาจะรู้สักความประหยัดมัธยัติที่อยู่เบื้องหลังเงินพันล้านนี่ไหมเขาจะรู้จักเก็บหอมรอมริบรู้จักอดทนรู้จักการไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากที่อยู่หลังเงินพันล้านนี่ไหมถ้าเขาไม่รู้นะเขาจะไม่เป็นทายาทที่ดี อจะเป็นก็เรียกว่าแกะดําลูกเกิดมาล้างผานเราเก็บเงินหอมลอมริบใช่ไหมจนมีเงินพันล้านเนี่ยคิดว่าลูกมันจะทําบุญให้โอ้ยอย่าไปคิดเลยลูกนะบางทีนะเอาไปซื้อรถซื้อบ้านซื้อนั่นซื้อนี่มีเงินเยอะหน่ตัวเองไม่รู้ว่าหามายังไงครับไม่ได้เรื่องงเลยนี่เรียกว่าไม่รู้จักคุณค่าของเงินพันล้านครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังเงินพันล้านนี้ก็ชื่อว่าเป็นชผู้เป็นผู้ไม่รู้จักดํารงตนเป็นทายาที่ดี <g ill ain> อย่างไว้ปาา่าละไทโศกอย่างเงี้ยศาลาสร้างมาตั้งสาสิปีแล้วเหมาลัทธครับด้วยเทคโนโลยีสมัยนั้นด้วยอุปกรณ์การก่อสร้างสมัยนั้นด้วยสาระปฎิกกรรมสมัยนั้นมันออกมาเป็นอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยอาตมานะจะขอประกาศความผิดของตัวเองสักหน่อยหนึ่งนะเราไปเที่ยวคิดว่าเออเราต้องทุบตรงนี้นะตรงนี้ต้องแต่งนี้นะทำหลังคายืมมาตรงนี้ตรงนี้เอามุงรวดไปกันอย่างนี้เจาะตรงนี้ต่อท่อตรงนี้ติดพัดลมตรงนี้เรามาคิดว่าไอ้ความคิดของเราเนี่ยมัน ทำไมเรามีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นมามันเป็นความคิดที่แย่มากเพราะว่าครูบาอาจารย์ของเราทํามาแล้วอย่างดีแต่ถ้าเราจะมาทุบทําใหม่แก้ไขนั่นนี่ด้วยความอยากของเรานะเป็นสิ่งที่ไม่ได้เรื่องอเป็นผู้ที่ไม่รู้จักปฏิบัติตนเป็นตายยาก ร, รู้ไหมว่ามันยากขนาดไหนกว่าจะสร้างสารามาได้สร้างวัดมาขนาดนี้ได้สร้างสิ่งตรงนี้ได้ทําสิ่งตรงนี้เนี่ยโอ้ยท่านทํามาดีแล้วครับถ้าท่านทํามาดีแล้วคุณจะไปทุบนะไปแก้ไขนะคุณ ทำสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเราต้องทำให้ดีกว่านันะดีกว่าในที่นี้คือจิตเราต้องสูงขึ้นนื่นคือปฏิบัติตนเป็นทายาทที่ดีเพราะฉะนั้นอย่างเช่นมาป่าไม้นะพ่อแม่บรรพบุพ ร, บรุษ<ก>เนี่ยมอบให้มาแล้วอย่างเงี้ย เ, เราควระจะเสริม<ว>เติมขึ้นนั่นไม่ใช่มาตัดทำลายหมดเราบอกนีเป็นความเจริญเมันคนละเรื่องกันอย่างกรณีของฝั่เศเนี่ยรัชการที่มอบมรดกให้เป็น ทางที่ให้น้ําผ่านแล้วบอกว่าเอาไปสร้างบ้านจัดสรรสร้างโรงงานใส่ตรงนั้นเป็นความเจริญคนเรื่องกันใช่ครับนะบางคนบอกว่าต้องแยกสิ่งนั้นทําสิ่งนี้ทุบใหม่ทําใหม่เราบอกนี่เป็นความเจริญคุณคิดไม่ถูกอืมถ้าสิ่งที่เจริญเนี่ยคือจิตของเราเจริญนะแต่เราไปาถ้าสมมุติว่าเราทุบทิ้งทําใหม่แล้วบอกอันนี้ไม่ดีอย่างนั้นอันนั้นไม่ดีอย่างนี้โอ๊ยทำอย่างนี้ได้ไงดีไซน์ไม่ถูกต้องคิดผิดแล้วนะคุณไม่รู้จักปฏิบัติตนเป็นตายา ครับสิ่งที่ท่านทําดีแล้วก็ทําดีแล้วก็ถูกต้องแล้วให้รักษาไว้รักษาไว้แล้วถ้าเราจะทําสิ่งที่ดีเราต้องทําให้ดีขึ้นกว่านี้ด้วยจิตของเราที่เป็นจิตที่สูงขึ้นครับอันนี้ลึกซึ้งนะครับอคุณทำต้องให้ดีขึ้นไงอย่างสมมติว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์สักองใดองค์หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าครูบาอาจารย์ท่านทําดีแล้วนะคุณต้องทําให้ดียิ่งขึ้นกว่านั้นอย่างอาจารย์คืิ้นๆอย่างเงี้ยท่านอ่านหนังสือห้าเล่มหนึ่งกี่รอบอาณามาถานท่าน ท่านบอกว่าอย่างน้อยสิบรอบรับเรามาคิดในใจถ้าท่านอ่านสิบรอบเราต้องอ่านยี่สิบรอบอมไม่ใช่เพื่อต้องการเอาชนะนะแต่เพื่อที่จะเข้าใจว่า<บ>โอ้าโอบาอาจารย์ของเราเนี่ยลึกซึ้งแตกฉานอย่างหลวงพ่อโรเตอสะอาดท่านทำสมาธิวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงท่านทําเวลาไหนบ้างถ้าท่านทำมาแล้วสองชั่วโมงสามชั่วโมงหชั่วโมงเราต้องทำให้ยิ่งไปกว่านั้นแลเพื่อบอกว่าเราจะประกาศตนเป็นทุกศิษของท่านอืนี่คือผู้รู้จักปฏิบัติตนเป็นตายบ อย่างคนได้รับมรดกที่ดินมาอย่างเงี้ยจากบรรพบุรุษขายกินหมดอ๋อโอยไม่ได้เรื่องเลยเราบอกว่าขายได้เงินนะเงินนี่เงินโอ้ยคุณไม่รู้จักคุณค่าของที่ดินตั้งนั้นครับอ่ไม่รู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นการรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทการรู้จักดํารงวัตถุคุณมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านี้ไปมากอืมคืออาจะมาต้องพูดให้เข้าใจกว่าเดี๋ยวเฉพาะยิ่งคนที่รับมรดกมาครับคุณคุณรู้เปล่าว่า เบื้องหลังเงินเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างพรพธเจาบอกว่าพึ่งปฏิบัติตนเป็นธรรมตายาตอย่าเป็นอา mith ายาตเลยให้เป็นธรรมตาญาตก็ใช่ไหมความเหนื่อยยากของบรรพบ ร, รุษเบื้องหลังที่ดินแปลงเนี่ยมันมีอะไรอยู่บ้างความอดทนของท่านการรู้จักเจราจา negotiation การรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนการรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่คุณรู้พวกนี้ไหม Hmm. คุณรู้จักดํารงตนเป็นทายาทไหมปฏิบัติตนเป็นทายาทดํารงวงศุลของตนเองตรงนี้ไหมครับถ้าอาตมามีทายาทอย่างนี้นะถ้าเราสอนทายาทของเราให้เป็นอย่างนี้ได้เราจะสบายใจเราจะนอนตายตาหลับจริงครับลูกของเราเนี่ยจะไม่เป็นภัยกับเราอืมพ่อแม่จะไม่เป็นภัยกับเราถ้าเราปฏิบัติตนอย่างนี้พ่อแม่จะไม่มาจ้ำที้จ้าชัยลูกทําไมทำอย่างนี้กลับบ้านหรือยังโทรเช็คโทรเช็คโอ้ยมันลูกทําหน้าที่หรือเปล่า ใช่ครับเดีย๋ยวเวลาคุณไปดึกกลับดึกเงี้ยคุณรู้ว่าคุณมีพ่อแม่ห่วงอยู่คุณรีบโทรกลับก่อนเลยนี่ออรู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาครับเนะื้อรู้ว่าท่านห่วงเราจัดการก่อนเลยโทรหาท่านก่อนเนะ้อแจ้ง ข, ข่าวอะไรต่างๆให้ทรารบไม่ใช่ว่ามาตามเช็คกันทีหลังมันก็ไม่รู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาทนะสิแล้วก็ถูกเขา ด, าด่าโดยที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จยังไงโอ้ยมันจะทําให้ครอบครัวมีปัญหามีภัยเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการลิงลูกก็พูดมาตรงนี้แหละ อือครับอแล้วก็บางคนในบ้านบ้านนอกอย่างเงี้ยจะมาเห็นคนบ้านหนองเต่าคนบ้านดอนไหนโฉกที่อยู่ใกล้ๆวัดป่าดอนไหนโฉคเนี่ยปรากอบว่าตัวเองทํางานอยู่กรุงเทพอืมเนี่ยแล้วก็มีลูกทํายังไงแต่งงานแล้วนะมีลูกเอาลูกมาให้ย่าเลี้ยงปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วตัวเองเนี่ยที่เอามาให้ย่าเลี้ยงเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยถูกย่าเลี้ยงมาก่อน ผูกปู่ย่าตายายเลี้ยงมาก่อนสืบทอดต่อไปเพราะว่าแม่ไปไหนแม่ไปทํางานกรุงเทพทำงานครับทําให้ตัวเองต้องมาอยู่กับยายหรือย่าที่ที่บ้านนอกแล้วพอโตหน่อยก็ตัวเองก็เข้าเมืองไปหางานทํามีลูกออกมาทิ้งไว้ให้ย่ายายเลี้ยงคครรัับบมันจะมันก็ภาพมันก็ไม่ถูกอ่ะใช่ครับอตัวเองจะมีภัยนั้นในบ้านของตัวเองอมันจะมีภัยในครอบครัวงตัวเองพวกนี้นะก็จะก่อปัญหาในบ้านเมือง ก่อหมอบด่ากันว่าการปัญหาสังคมอาจยากรรมแรงต่างเกิดขึ้นเป็นประจำเพราะั้แทนที่เราจะแก้ไขเรื่องของระบบการปกครองวันนี้ขอพูดหน่อยนะหมวระดมเพราะว่ามันวันที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องการวันประชาธิปไตยก็เรียกว่าอะไรนะวันรัตธรรมานุนเออวันรัฐธรรมนูญเนี่ยที่เขาพูดว่ามีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแรงต่างๆครึ่งใบเต็มใบบ้างมาตรานั้นมาตรานี้โอยไปหาแก้กันให้เต็มที่เถอะ นะถ้าคุณ <Vegan. S 2> ไม่แก้เหตุคือกิเลสในจิตของคนนะมันแก้ ไ, ไข<บ>ไม่ได้ครูชาติพูดถึงการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการปกครองคือธรรมาธิปไตนะ่ธรรมาธิปไตยที่เป็นลักษณะการปกครองที่เป็นธรรมะไม่ใช่อัตตาธิปไตยไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยคืออัตตาธิปไตยเนี่ยพูดถึงตัวเองก่อนนะตัวเองว่ า, าตัวเองเป็นใหญ่เอาความเห็นตัวเองถ้าตัวเองนี้เป็นตัวที่ดีไม่มีกิเลกก็ดีไป อย่างเช่นกาดาฟี่ตอนแรกๆที่ขึ้นมามบริหารอำนาจหน้าที่ใหม่ๆเปิดประเทศนะรู้จักให้มุสลิมผู้หญิงมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะมีความเห็นอย่า ง, งานั้นทําสิ่งนี้ขึ้นมาประเทศชาติเจริญขึ้นมาได้แต่พอมาระยะหลังๆมีกิเลสเข้าครอบงาํานแะำทําให้ตัวเองการบริหารการจัดการเสื่อมไปนะคนไม่รักไม่เคารพนับถือมีปริวัติเกิดขึ้นในที่สุดตัวเองก็จบชีวิตเองและนี้คือลักษณะของอัตาธิปไตยถ้าผู้นําดีดีแน่ ถ้าผู้นําไม่ดีก็ไม่ดีแน่ก็แยทีนี้ประชาธิปไตยเป็นยังไงเอาตามคนส่วนมากคนส่วนมากว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเราเคยพูดถึงเรื่องของหนอนนะหมอรัตพงศ์ใช่ครับถ้าเป็นไปตามหนอนหนอนเป็นคนส่วนมากชิบหายเลยแยก็ไปลงในต่านซ่วมครับคือในโลกนี้นะหมอรัตพงศ์มดบวกกับหนอนบวกกับสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ภายในดินเนี่ยมีจํานวนมากกว่าเทวดาอยู่พอแล้วใช่ครับต่อให้โวตเทวดาก็โวตทั้งหมด ผู้อัศรระบบโหวตกับสัตว์เดชัจานทั้งหมดโหวดกันเทวดาก็แพ้เทวดาแพ้สัตว์เดชัานชนะชนะงั้นไปไหอยู่ใต้ดินไปอยู่ในนรกไปอยู่ในฐานซ่วมอย่างงั้นเหรอถ้าประชาชนส่วนใหญ่ยังถูกซื้อเสียงยังถูกชักลากไปในสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าคนที่มาลากเขาเป็นคนไม่ดีมันก็ชิบหายหมดจเพื่อนถามว่าประชาธิปไตยก็แย่นะเต็มใบครึ่งใบมาตาล้อยไหนก็จะแก้เนี่ย คุณแก้ไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนหมู่มากยังเห็นผิดๆิดมันก็ชักชวนกันไปผิดๆิมันก็ชักชวนกันไปในทางชิบหายครับถูกมั่เมาอ่าผูกมั่เมาซื้อเสียงตอนนั้นเราคิดว่าโอ้ยจากระบบสมบูรย์สิทธิราชจะมาเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยแล้วจะดีขึ้นจะลดการโกงบ้านเมืองได้แล้วปัจจุบันนี้มันอะไรโกงกันยิ่งหน้าด้านกว่าที่เป็นอยู่อีกออกกฎหมายไหมชัดๆเลยว่าให้โกงแล้วถูกต้องโอ้โหมันทํากันได้ไงครับแล้วบางคนบอกอังลัทุนนิยมทุนนิยมดี S <S นักทุนนิยมดีมคนไหนมีเงินลงทุนนะมีการแข่งขันมีการเปิดประเทศขึ้นมาให้มีกา ร, รลงทุนประเทศอเมริกาเป็นยังไงจะล่มจมอยู่บัดนี้ก็เพราะทุนนิยมครับี<ม>เพราะ<ว>อะไรครับคนมันคนที่มีเงินมันมีกิเลสมากไกิเลสหนามากเสร็จปุ๊บเอาเงินมาล่อล่อเสร็จปุ๊บทําไงให้คนมาช่วยแล้วบอกว่าทุนนิยมที่แแฝงอยู่ในประชาธิปไตยก็แย่พอกันครับถ้าเราไม่แก้ที่กิเลสของคนคือแก้โดยระบบธรรมาธิปไตยคุณแก้ไม่ได้หรอก ต่อให้เป็นมาตาไหนสักกี่มาตาก็แก้ไม่ได้หรอกอันารย์พต้องพูดเรื่องนี้นะหมอระวงเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอกว่าพระไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองพระไม่ได้มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นเองใบเลือกตั้งเขาก็ไล่ออกมาจากกูหาแต่ว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องที่ธรรมะโดยตรงเพราะอะไรเพราะผู้ปกครองถ้าไม่มีธรรมะมันจะชิบหายกันหมดผู้ปกครองถ้าไม่สนับสนุนให้คนมีธรรมะนะให้รักษาศีลให้เจริญภาวนามีจิตที่เป็นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยบ้านเมืองไปไม่รอด ครับบมึ ง, งไปไม่รอดนโยบา ย, ย, ยนโยบายบการบริหารการปกครองที่ดีที่สุดในสมัยแต่ที่มีพระเจ้าจักรพรรดินะหมทุนพงศ์คือในสมัยที่มีพระเจ้าจักรพรรดิองคเดียวไม่ได้มีกษัตริย์เล็กกษัตริย์น้อยอย่างที่เรามีทุกวันนี้นะพระเจ้าจักรพรรดิมีนโยบายในการบริหารประเทศเนี่ยแค่ห้าข้อคือหนึ่พวกเธออย่าข้าศัตร์ สพวกเธออย่าลักทัพท์ถือเอาทรัพย์อันจะก่อไม่ได้ให้สอย่าประพฤตผิดในกล่าวสอย่าแกล้งกล่าวเท็จหอย่าดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยแอมเปตตี้ต่งความประมาทมีห้าข้อนี้เป็นนโยบายในการบริหารประเทศแล้วให้กษัตริย์ในแต่ละประเทศเนี่ยไปออกกฎหมายรูปที่สอดคล้องกับนโยบาย5อย่างนี้เท่านั้นเองโอ้สินเช่าไปนะครับใช่ครับดูอย่างคดีความในสารมารตุโปรับมีเพื่อนเป็นเขาเรียกว่าเออวิวักษาเขาบอก้าสบ้าเปอก้าสิบถึงเ้าเซนของคดีความในศารจะหมดไป ถ้าทุกคนรักษาศีลห้าจริงครับอาจารยแล้วกฎหมายคุณจะมาแก้มาตราเนี่ยเหรอมันเกี่ยวข้องกับศีลห้ายังไงใช่ป่ะใช่คับมันมันแก้ผิดมันคุณทําไม่ถูกคุณต้องทําตามธรรมาธิปไตยแค่นี้อกฎหมายเปนปลายเหตุนะครับหมอต้พงศ์รู้ไหมอันนี้จะพูดตอนสุดท้ายของรายการได้ถ้าใครฟังอยู่ก็จะได้โบนัสข้อนี้ไปสมัยที่อาจารย์มายังเรียนหนังสืออยู่นะอาจามามีความคิดว่าเราต้องการเป็นนายกรัฐมนตรี เรามี ค, ความคิดว่าเราต้องสมัครเป็นสอสอมีเงินรวยๆสมัครเป็นสอสอแล้วก็เป็นนายกให้ได้เพราะอะไรเพราะเราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศต้องการทําสิ่งที่ดีอมีนโยบายอย่างนี้มีการกระทําอย่างนั้นเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณอย่างนี้เพื่อให้ประชาชนประเทศชาติดีขึ้นมาได้เรามีความคิดอย่างนี้นะหมอและฟงพอเรามอบวดแล้วเราพบว่าไร้สาระไร้สาระหมายความว่างไงดูคนที่เป็นนายกปัจจุบันหรือคนที่เป็นนายกที่ผ่านผ่านมาทั้งหมด ในประเทศไทยมีกี่คนแล้วก็ไม่รู้รรเขามีอำนาจเท่าไห ร, ร, รเขาเวลาจะทําอะไรจริงๆเขาทําได้ไห ม, ไมเดี๋ยวก็ติด น, นั่นเดี๋ยวก็ติด น, นี้เด็กติดกระสิดาการนี้ติดกฎหมายนู้นติดอันนั้นคนนี้ว่าอย่างนี้พักร่วมว่ายอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนี้คนอยู่ต่างประเทศว่าอีกอย่างนึ่งโอ้มันไปไม่ได้เลยสุดขยับอะไรได้บ้างเป็นขุนเชิดครับเป็นขุนเชิดให้เขาเชิดเฉยๆขยับอะไรได้บ้างขยับแค่ปลายปากกาเซ็นว่าก็แก้ๆแล้วทําอะไรไม่ได้เลยแล้วแก้ไขอะไรได้บ้างแก้ได้นิดๆหน่อยๆแก้ได้เฉพะพวกป้องของตัวเอง ครับสู้ธรรมะที่ปไตยไม่ได้เลยครับปกครองกันด้วยธรรมะปกครองกันด้วยธรรมะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่นะศาสตราจารย์บอกให้ว่าเรามีสิทธิที่เสรีภาพไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านไม่ว่าคุณจะไปใช้สิทธิ์เลือกเสียงเลือกตั้งหรือไม่ก็ได้ก็ตามเรามีสิทธิ์ในการที่จะรักษาสี่ห้าของเราเรามีสิทธิ์ในการที่จะรักษาทิศทั้งหของเราให้มีความเป็นปกติอย่างนี้อย่างน้อยครอบครัวเราเป็นสุขบ้านเมืองบ้านเมืองไม่เป็นสุขช่างหัวมัน หมายความว่าถ้าผู้นําโง่ผู้นำไม่ฉลาดช่างหัวเขานะ <four> เรารักษาที่ของเราเราเป็นสุขขยายวงนี้ออกไปกลุ่มคนของเราจะเป็นสุขบริษัทของเราจะเป็นสุขขยายวงนี้ออกไปเขตของเราจะเป็นสุขจังหวัดของเราจะเป็นสุขขยายวงนี้ออกไปจังประเทศชาติของเราจะเป็นสุขครับ <á> คนที่เขาไม่ดีเน่ยอยู่ไม่ได้หรอกเหมือนในธรรมวิญญาณ น, นี้หมอรัตพงศ์มีความอัศจรรย์หนึ่งในแปดอย่างอย่างที่เจ็ดคือทะเลเนี่ยเขามหาสมุทรเขาจะพัดซากศพขึ้นสู่ฝั่ง พัดซากศพขึ้นสู่ฝั่งอย่างที่เราดูในสีนามินะคนตายเนี่ยเบื่อะไรเป็นเบื่อเลยนะที่ริมฝั่งริมฝั่งชายหาดเนยอือเน่าเละอยู่ในทะเลไม่มีถูกซัดขึ้นฝั่งหมดเหมือนกันคนชั่วจะถูกออกพัดออกจากธรรมะในนี้ถูกซัดออกจากธรรมะในนี้แล้วในทะเลมีอะไรมีแต่ปลาเป็นเป็นปลาตัวใหญ่ๆเช่นปลาวาฬปลาติมังคละตัวใหญ่ๆที่มีลักษณะของความเป็นอริยบุคคล เราอยู่ได้ในธรรมวินัยนี้ถ้าคุณรักษาความเป็นปกติอย่างที่เราจะเป็นซีรีส์ที่ไล่กันมา47 48 49, 49ต่อต่อไปเ <49, S 1> นี่ยนะ 48, <49. S 1> <ม>ให้คุณรักษาความเป็นปกติของคุณอย่างนี้คุณจะไม่มีภัยนะคุณจะอยู่ในทะเลได้อย่างสบายใจนะมีสินทรัพย์ทรัพยากรต่างๆในทะเลมากนะเราก็จะไม่ถูกสัตว์ขึ้นฝั่งคนที่ซัดขึ้นฝั่งเนี่ยก็จะตายไปนะช่างหัวมันกรรมจะให้ผลเขาแน่นอน อืครับให้สบายใจได้ตอนนี้ธรรมมาไม่ได้อยากจะเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีนะเราต้องการที่จะพูดถึงธรรมมาธิปไตยอครับก็เกี่ยวข้องกันครับอันนี้เป็นภิสุก็เหมือนกับคําว่าบรรพชาเป็นโอกาสว่างใช่ชลาวัตรเป็นทางมาแห่งธุลีอันนี้คือคือคิดว่าถ้าอยู่เป็นพระเนี่ยมันทําประโยชน์ได้มากกว่าในเรื่องของการที่อย่างเช่นการบ้านการเมืองอย่างเงี้ยคุณบอกคุณเป็นพระไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่า การเมืองเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะโดยตรงเพราะว่าถ้าผู้ปกครองไม่มีธรรมะแล้วมันก็ไปไม่ได้เพราะนั้นการที่เป็นพระเนี่ยเราได้ศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่ที่เราสามารถรณรงค์บอกสอนสิ่งที่เป็นธรรมะได้อันนี้ดีกว่าครับแก้ปัญหาที่ถูกจุดกว่าแก้ปัญหาตรงกว่าแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจนกว่าที่ต้นเหตุเลยคือเรื่องของจิตใจภูมิปัญญาครับเพราะงั้นวันนี้ก็จะมีแค่นี้แหละคําถามยกไปตอนหน้าทั้งหมด ครับผมพูดถึงตอนที่49แล้วก็จะเป็นเรื่องของคนโสดล่ะคนโสด49 48รอฟังเลยนะครับ่อ48นี่ก็พูดถึงเรื่องของชีวิตคนคู่ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเรื่องของการเลี้ยงลูกนะแล้วก็ยังมีเรื่องของประชาธิปไตยพู้ใหม่ธรรมธิปไตยหนึ่งในวาระวันรัฐธรรมนูญที่10ธันวาคม2544ที่จะมาถึงเนี้ยนะครับ ก็ค่อยพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้เกินเวลามาพอสมควรครับก็ท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วคิดว่าพูดเร็วไปก็ฟังใหม่ก็ได้ครับหรือว่ามีคําถามสิ่งใดก็ส่งมาครแล้วกันครับที่เพียวธรรมะ .com นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากลับน้ำมสการขอบพระคุณพระอาจารย์ไพบูลอภิพุนโนแห่งวัดป่าดอนไฮโศกจังหวัดอุดรธานีครับกลับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับ